ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เธอไรที่ต้องเหงาเดียวได้หัวใจอยู่อย่างนี้ถ้าอยู่ไหนถ้าไม่คืนกลับมาสักทีคนรอเขาก็มีหัวใจคืนอ้างวางมองไปบนฟ้าคง